และขั้นที่แคือเตสันจะปฏิปัสนาขั้นนี้หมายถึงขั้นสุดท้ายของปัจจเวคขณะยานที่เราได้ผ่านการปฏิบัติจากพิปัสนาญาณมาแล้วนี่เป็นหลักวิธีการเจริญาณาปานสุติกรรมฐานที่ท่านวางไว้เป็นขั้นๆมาตามลำดับดังกล่าวนี้สำหรับอน า, าปานสติกรรมฐานนี้ ถ้าเราจะพิจารณาถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติแล้วการเจริญอาณาปาณสินี้จะได้รับผลหลายอย่างด้วยกันผลที่กล่าวนี้เราอย่าเพิ่งไปนึกไกลถึงโลกุตตรธรรม เ, เพราะว่าโลกุตตระธรรมนั้นเราอาจจะก้าวไปไม่ถึงโดยทั่วกันทุกทุกท่านแต่ว่าผลจากการปฏิบัติเนี่ย เราจะได้รับในปัจจุบันนี้ในขั้นต่าๆอยู่ประการต้นก็คือสามารถทำจิตของเราเนี่ยให้สงบลงได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในสังคมมนุษย์ปัจจุบันนี้มีอารมณ์หลายอย่างทั้งที่เป็นอิสถารมณ์และอนิจถารมณ์ที่ทําให้จิตของเราเนี้หาความสงบได้ยากยิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมากๆ ก, ก็รู้สึกว่าจิตจะวุ่นวายมากขึ้น ไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมคืออารมณ์ถ้าหากว่าเราปล่อยให้จิตนี้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆก็เกิดโทษหลายอย่างเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้ในวงการแพทย์ว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นประจําตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคประสาทหรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่โรคกระเพาะอาหารโรคลาไส้ก็สืบเนื่องมาจากเราะว่าจิตไม่สงบ เมื่อจิตไม่สงบแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นฉะนั้นจึงมีวิธีที่เราจะช่วยป้องกันโรคเหล่านี้ได้ก็คือในชีวิตประจําวันของเรานี้เราควรจะทําจิตของเราเนี่ยให้สงบบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักทําจิตให้สงบบ้างแล้วชีวิตที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีทุกข์เพิ่มขึ้นอีกหลายชั้น เพราะอารมณ์ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่กําหนดรู้ถึงสภาวธรรมเหล่านี้แล้วก็จะเกิดความยึดถือเมื่อไปยึดถือมากเท่าก็เกิดความทุกข์มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วมันก็ดับไปหน้าที่ของเราทุกคนนั้นควรจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ อย่าไปยึดถือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามสภาวธรรมการที่เรารู้จักวางอุบเบกขาไว้ได้สียบ้างนั้นทำให้เราเป็นสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบางทีมันก็เกินวิสัยที่เราจะไปแก้ไขถึงแม้เราจะปล่อยให้จิตนี้วุ่นวายคิดมากเพียงใดก็าตาม ความนึกคิดเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปขจัดสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายไม่ดีให้หมดไปได้ฉะนั้นมีอยู่ทางหนึ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้จิตฟุ้งซ่านก็คือเราจะต้องรู้จักพิจารนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเท่านั้นอย่าไปยึดถือเอามาเป็นอารมณ์มากนาทีของเรานั้นคือวางเฉยต่อสิ่งทั้งปวงเสียบ้าง ถ้าเราวางอุเบกขาไว้ได้ในสิ่งทั้งหลายเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมเราก็พิจารณาดูด้วยปัญญาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความเจริญความเสื่อมก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ความวุ่นวายมากนะักฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าการเจริญอาณาปณสตินี้เป็นประโยชน์มากอย่างน้อยในปัจจุบันนี้ ผู้ที่เจริญอาณาปานสติย่อมขจัดวิตกได้วิตกดังกล่าวเนี่ยหมายถึงความตรึกในอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ว่าอารมณ์อันนั้นจะเป็นอารมณ์เช่นใดก็าตามเช่นจะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่มันเกิดขึ้นผู้ที่เจริญอาณาปานสติแล้วย่อมขจัดวิตกต่างๆเหล่านี้ได้ระงรับวิตกต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ เราว่าวิตกทั้งสามประการนั้นทำให้จิตของบุคคลนี้ตกตำ่ำและเกิดความเศร้าหมองการที่สามารถขจัดอกุศุวิตกต่างๆได้นี้ก็ทำให้เป็นสุขเนี่ยประการหนึ่งประการที่สองเป็นคุณชาติทำให้เราเนี่ยสงบคือทำให้เรานี้มีความสงบใจไม่เดือดร้อนใจไม่ทุกพล้านไปในอารมณ์ต่างๆ เมื่อมีความสงบแล้วก็จะมีแต่ความเยือกเย็นเพราะจิตเยือกเย็นความสุขก็เกิดเมื่อจิตเยือกเย็นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยู่สบายท่านจึงตรัสว่าอนาปานสตินั้นเป็นธรรมะเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันคือผู้ที่รู้จักกาหนดลมให้เกิดสมาธิแล้วชีวิตที่เป็นอยู่นี้ก็สบายมาก เนี่ยวิธีที่เราจะหาความสมงบเยือกเย็นและความสุขสบายนั้นด้วยการเจริญอาณาปณาสติเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆและก็สแสวงหากันได้ไม่ยากเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหายใจด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราจะใช้ลมหายใจที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์บ้างแม้เราจะนั่นั่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปตามสภาพของอารมณ์ เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสักแค่ไหนถ้าหากว่าเรามานึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าของเราดูเราจะมีความสงบขึ้นและมีความเยือกเย็นขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางความเดือดร้อนความทุกข์ยากเราก็ไม่เป็นทุกข์จนเกินไป น, นักเพราะว่าจิตของเราเนี่ยสงบอยู่กับอาณาปานสติ นี่เป็นผลที่เราจะพิจารณากันได้ไม่ยากในปัจจุบันเราอย่าเพิ่งตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ฌานหรือจะได้มรรคผลนิพพานเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งความหวังไว้สูงแล้วเราปฏิบัติไปไม่ถึงเราก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมฉะนั้นธรรมะเนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้โลภุตตระธรรมเลยก็ขอให้เราได้ปฏิบัติโลกิยธรรมนี้ให้สมบูรณ์ ก็นับว่าเป็นประโยชน์มากมายอยู่แล้วดีกว่าบางคนที่พร่ำแต่โลกุตรธร ร, รมโดยที่โลกิยธรรมนั้นก็ยังปฏิบัติไม่ได้ซึ่งเป็นการตั้งความหวังที่สูงแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างโลกุตรธรรมก็ไม่ได้โลกิยธรรมก็ทาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกฝนว่าถึงไม่ได้โลกุตรธรรมก็ขอให้ปฏิบัติในโลกิยธรรมเนี่ยให้สมบูรณ์ขึ้น ประโยชน์ที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมังเกิดแก่เราไม่มากก็น้อยท่านทั้งหลายนั่งหลับตาเพียงสามสิบนาทีท่านก็ได้ประโยชน์กำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยนั่งนับลมหายใจเข้าออกอยู่สักสามสิบนาทีเราก็ได้ประโยชน์แล้วสามสิบนาทีเป็นผลกำไรของเราแล้วเนี่ยการสแสวงหาความสุขนั้นส่วนมากเรามักจ ะ, สะแสวงหานอกกายเรา ความจริงความสุขในตัวเราก็มีตั้งหลายอย่างที่เราจะสแสวงหากันได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเนี่ยไปสแสวงหาความสุขที่อื่นนอกจากตัวเราจริงอยู่แม้จะตรัสว่าสังขาร น, นี่เป็นทุกข์หรือเบญจขันนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์แต่พร้อมกันนั้นก็ได้สอนให้เราสแสวงหาความสุขในกองทุกข์ว่าท่ามกลางความทุกข์เช่นนี้เราก็สามารถที่จะสแสวงหาความสุขได้ เช่นความทุกข์ในเบญจขันธ์ความทุกข์ที่มีอยู่ในเบญจขันธ์นี้เราก็สามารถที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขในเบญจขันธ์นี้ได้เหมือนกันลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่เราเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเช่นนี้และเรารู้จักควบคุมจิตให้วางเฉยไม่ให้วันไหวไปตามภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็มีความสุขขึ้นตั้งมากมาย เนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแสวงหาที่ตัวเราความสงบก็แสวงหาที่นี่ความสุขก็แสวงหากันที่นี่บางครั้งความสงบอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพราะว่าสถานที่นั้นถ้าหากว่าบุคคลปฏิบัติธรรมไม่ได้มีจิตสงบแล้วสถานที่อันสงบนั้นก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เราอยู่ในถ้ำอาจจะมีแต่ความฟุ้งซ่านก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมจิตแต่ถ้าเราควบคุมจิตแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมสังคมนั้นก็เป็นที่สงบของเราได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักกําหนดลมหายใจก็นั่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆได้อันนี้เป็นเป็นผลที่เราพิสูจน์ได้ในปัจจุบันพนี้แล้วก็ เป็นผลที่เราไม่ต้องประเมินกันไกลนักไปถึงโลกุตรระถ้าทำขั้นนี้ได้แล้วโลกุตรธรรมนั้นก็เป็นขั้นต่อไปที่ไม่ยากเพราะว่าพื้นฐานดีแล้วน่าเสียดายบางขั้นที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ปูพื้นฐานทางด้านนี้ไว้ให้ดีเพียงพอเสียก่อนบางทีก้าวสูงเกินไปเพื่อที่จะไปสู่โลกุตรธรรมและผลสุดท้ายก็ไปไม่ถึง แต่ว่าพื้นฐานทางโลคิยธรรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังปฏิบัติขั้นต่ำๆไม่ได้เหมือนผู้ที่ยังไม่สามารถทาศีลให้สมบูรณ์ได้ก็มุ่งที่จะไปสู่สมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยเราจะต้องปฏิบัติขั้นศีลธรรมเนี่ยให้ดีเสียก่อนและขั้นโลคุตรธรรมนั้นก็จะดียิ่งขึ้นผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็ไม่ยากเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของ แต่ระบุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยตนของตนเองใครๆจะมาช่วยให้มากผลเกิดขึ้นแก่ตัวเรานั้นโดยที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เราต้องทําเองต้องปฏิบัติเองทั้งสิน้นจึงจะบังเกิดประโยชน์อานาปานสติกกรรมฐานนี้นอกจากประโยชน์ที่เราจะได้ดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ พระภิกษุทั้งหลายว่าอาณาปันสตินี้เมื่อทำให้บริบูรณ์แล้วอบรมดีแล้วย่อมทำให้ย่อมยังให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ขึ้นได้หมายความว่าผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่จะเป็นกายานุปสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตหรือธรรมในองค์ใดองค์หนึ่งก็ตาม หากว่าได้เจริญอาณาปณสติเนี่ยให้สมบูรณ์ดีแล้วก็สามารถที่จะทาสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้บุคคลผู้ที่ทำสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์นั้นย่อมยังโพชฌงให้บริบูรณ์ขึ้นได้บุคคลที่ทำโพชฌงให้บริบูรณ์นั้นย่อมยังวิ ช, ชาและวิมุตให้เกิดขึ้นได้ เนี่ยเพราะว่าสภาวะธรรมเหล่ า, ลานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันในบาลีพระตรยัยปิดกท่านใช้คำว่าเป็นอาหารให้ซึ่งกันและกันเช่นอย่างใน อ, อ, อวิชชาสูตรหรือในตัญหาสูตรที่มีอยู่ในคำพีอังคุตตรนิการทศกันิบาต ท, ท่านได้แสดงถึงเหตุปัจจัยแห่งวิชากับอวิชชาไว้ว่าอาวิชชานั้นก็มีเหตุมีปัจจยัยวิชาวิมุต ก็มีเหตุมีปัจจัยเช่นตรัสว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เป็นเบื้องต้นแห่งวัฏฏะใครกล่าวว่าอาวิชชาเป็นเบื้องต้นแห่งวัฏฏะแล้วก็เป็นการกล่าวที่ผิดเพราะว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายได้แต่ท่านได้ตรัสว่าอาวิชชานั้นเกิดขึ้นก็เพราะมีอาหารและอะไรเล่าที่เป็นอาหารของอวิชชา ท่านก็ <BE> ot, ıt, Nowadays, ตรัสว่านิวรธรรมห้านั้นเป็นอาหารของอวิชชาคือเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาแล้วนิวร์มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านก็ตรัสว่านิวรนั้นก็มีทุจริตทั้งสามประการเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนิวรขึ้นและทุจริตทั้งสามประการที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะความไม่สมรวมอินทรีย์ความไม่สมรวมอินทรีย์ก็เพราะเหตุว่าขาดสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็เพราะไม่มี โยนิโสมนัสิการความไม่มีโยนิโสมนสิการก็เพราะเหตุว่าไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธาก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังธรรมที่เราไม่ได้ฟังธรรมก็เพราะเราไม่ได้คบสัตตบรุษอย่างเนี้ยท่านก็แสดงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ผลสรุปตรงๆที่ว่าเพราะไม่ได้คบสัตตบรุษเมื่อไม่ได้คบสัตตบรุษสัตตบรุษก็ไม่ได้ไปชักชวนให้ฟังธรรม เมื่อไม่เกิดฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมศรัทธาก็ไม่เกิดเมื่อศรัทธาไม่เกิดจะเอาอะไรมานึกถึงเพื่อให้เกิดโยนิโสมนสิการเมื่อไม่มีโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นเหตุให้ทำให้ไม่มีการสมรวมอินทรีย์เมื่อไม่มีการสรรวมอินทรีย์ก็เป็นเหตุให้กระทำทุกจริตเมื่อทาทุกจริตก็เป็นเหตุให้เกิดนิวร์ ทำให้อุปสรรคของคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ น, นิวรณ์เกิดอวิชาก็เกิดเนี่ยท่านแสดงถึงวัตตาอันมีอวิชชาเป็นมูลไว้ในสูตรนี้ส่วนในวิชากับวิมุตินั้นท่านก็เลยแสดงว่าเหตุที่เกิดให้ให้เกิดวิชาโดยวิมุตินั้นคือโพชชงโพธชงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติปัฐานสี่สติปฐานสี่จะสมบูรณ์ก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสังรวมอินทรีย์ อาศัยมนุษย์การมนุษย์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังธรรมการฟังธรรมจะมีอยู่ก็เพราะครบสัตตบุรุษท่านก็ตรตัสเทศของวิชาและวิมุตว่าเกิดมาจากครบสัตตบุรุษเนี่ยเพราะฉะนั้นวิชากับวิมุตินี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโพชดชงพอดชงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติปัฏฐานสีพระพุทธองค์จึงตรัสว่า บุคคลที่จะเดินอานามปนสติกรรมาฐานเนี่ยให้สมูรณ์แล้วย่อมทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วโพุทธชงก็บริบูรณ์ได้ความตอนนี้ในอัตถกถาท่านแก้ว่าคําว่าโพชทธชงที่จะให้เกิดวิชาและวิมุตนั้นหมายถึงมรรคพุทธชงวิชากับวิมุต tn นี้ก็หมายถึงผลละญาณมรรคโพุทธชงดังกล่าวเนี่หมายถึงพุทธชงที่เกิดขึ้นในมรรคในมรรคผิต หมายถึงในโสดาปฏิมาขจิตสกทาคามิมาขจิตอนาคามิมาขจิตและอรหันตมัคขจิตโพชงดังกล่าวนี้หมายถึงมัคโพชงไม่ใช่หมายถึงโพชงนอกจากองค์มัคเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเจริญอานาปนสตินี้ก็เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะไปสู่วิชากับวิมุติวิชานั้นแปลว่าความรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรม วิมุตต์นั้นแปลว่าความหลุดพ้นเนี่ยความรู้แจ้งหรือความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยโพชชงโทษชงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสติปัฏฐานสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอานาปานสติจึงกล่าวว่าอาณาปานสตินี้ย่อมยังวิชาและวิมุตต์ให้เกิดขึ้นนี่เป็นการกแสดงไว้ในในคัมภีอังคุตตรนิกายนี้ สแสดงให้เห็นถึงวัตตะและการไปสู่วิวัตตะว่าต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้าไม่อบรมเหตุให้เกิดขึ้นแล้วผลก็ปรากฏไม่ได้และครั้งหนึ่งได้ตราสแก่ราหุนซึ่งเป็นราชโอรสว่าดูก่อนราหุนเมื่ออาณาปาณสติอันพระโยคีบุคคล กระทำให้สมบูรณ์ดีแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกย่อมมีที่สุดคำว่าที่สุดของลมหายใจเนี่ยท่านได้จาแนกเอาไว้เป็นสามประการด้วยกันที่สุดของลมหายใจนั้นท่านบอกว่าประเภทหนึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งภพ ที่ว่าเกิดขึ้นด้วยอนานาจแห่งภพเนี่ยหมายถึงที่สุดลมหายใจที่เกิดขึ้นด้วยอนานาจแห่งภพท่านหมายถึงกามบุคคลที่เกิดขึ้นในรูปประพบกับอรูปประพบผู้ที่ปฏิสนธิในรูปประพบกับอรูปประพบเนี่ยไม่มีลมหายใจชีวิตของสัตว์ทั้งสองภูมินี้ไม่ใช่อยู่ด้วยลมหายใจแต่ว่าอย่างมนุษย์สภูมิกับเทวภูมิเนี่ยอยู่ด้ลมหายใจ เทวดาก็มีลมหายใจมนุษย์เราก็มีลมหายใจเนี่ยอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่ถ้าหายใจออกไปแล้วไม่เข้าเราก็ตายหรือหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายดังที่บางคนตายเพระเหตุนี้คือบางทีหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ยอมออกดิ้นผลสุดท้ายตายเป็นอาการของโรคหัวใจชนิดหนึ่ง บอกมีอาการคล้ายๆกับคนดำน้ำเนี่ยจะหายใจก็หายใจไม่ได้เนี่ยและคนสุดท้ายก็ตายนี่หมายถึงสัตว์ที่เกิดขึ้นในกามภพโดยเฉพาะในมนุษย์บนเทวโลกก็มีลมหายใจเพราะว่าในอัศจานั้นท่านแสดงเอาไว้ว่าเทวดาบางองค์เนี่ยจะจุติเบื่อหน่ายมากอยากจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีก็ใช้วิธีกลั้นลมหายใจกลั่นลมหายใจตาย เทวดาก็ตายด้วยการกลั้นลมหายใจคือเมื่อลมหายใจไม่มีเทวดาก็ตายนี่มีอยู่ในกางปรภูมิแล้วก็ในอบายภูมิก็มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดริฉานเนี่ยก็อยู่ได้โดยลมหายใจส่วนในรูปประภูมิกับรูปประภูมินั้นไม่มีลมหายใจนี่ท่านแสดงเอาไว้ในคัมภีอัตถกถาแล้วก็ในบาลีของพระไตรปิฎก ก็แสดงไว้อย่างนี้ที่สุดลมหายใจประเภทเนี้ท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งภพทีนี้ที่สุดลมหายใจอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งฌานฌานเนี่ยหมายถึงรูปฌานเช่นอย่างเราเจรเินอานาปนสตินี้ขณะที่จิตเกิดอันปนาสมาธิถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานตตเตียฌานเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ แต่ว่าลมหายใจเนี่ยประณีตละเอียดมากพอถึงจทุตฌานหรือปัญจมาฌานลมหายใจจะไม่มีจากนั้นผู้ที่ได้ปัญจมาฌานเนี่ยไม่มีลมหายใจไม่ใช่อยู่ด้วยลมหายใจแล้วลมหายใจหยุดทํางานวิตกวิจารไม่มีแล้วถ้าขึ้นสู่อรูปฌานลมหายใจก็ไม่มีงั้นท่านทั้งหลายอยู่สังเกตได้ว่าถ้าเราทําสมาธิ จิตละเอียดประณีตขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดลงแต่ถ้าหากว่าจิตเนี่ยฟุ้งซ่านลมหายใจก็หยาบท่านทั้งหลายจะสังเกตคนที่มีทุกข์หนักๆบางทีนั่งถอนหายใจดังฟืดฟ่าฟืดว่าถอนหายใจเฮือกใหญ่เนี่ยแสดงว่าจิตเป็นอกุศลและจิตเนี่ยต้องไม่สบายเศร้าหมองทำให้ลมหายใจหยาบบางคนลมหายใจแรง แต่ผู้ที่ปฏิบัติรรมากๆลมหายใจแผ่วเบาถ้าถึงขั้นฌานวยแล้วหายไปเลยลมหายใจเนี่ยท่านบอกว่าลมหายใจมีที่สุดได้ด้วยอำนาจของฌานส่วนประเภทที่สามนั้นลมหายใจมีขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งจุติคือการตายมีด้วยอำนาจแห่งจุติจุติจิตคือการตาย เนี่ยเป็นปัญหาแม้แต่ทางแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยว่าค้นคว้าในเรื่องนี้มากถ้าถามว่าเ อ, อที่ค้นคว้ากันมามากเนี่ยคนตายเนี่ยถือเอาขณะไหนที่สันนิษฐานว่าตายแล้วหรือตามหลักของแพทย์ว่าถ้าถึงขั้นเนี่ยเป็นอันว่าตายแล้วเพราะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้บริจาคดวงตากับผู้บริจาคหัวใจว่าพอตายแล้วหมอต้องปักดวงตาไปได้ตักหัวใจไปได้ ปัญหาไม่ว่าหมอวินิจฉัยถึงแค่ไหนว่าคนเนี่ยตายแล้วเอาอะไรเป็นหลักของการวินิจฉัยผู้ที่ไม่ได้ค้นคว้าก็ตอบไม่ถูกว่าเออเอาแค่ไหนกันแน่ที่ว่าตายที่ผชิบจรหยุดหรือว่าลมหายใจหยุดแล้วก็ตายเพราะไม่แน่บางคนลมหายใจไม่ลมหายใจหยุดแต่ยังไม่ตายก็มีทีพจรหยุดแล้วยังฟื้นขึ้นมาก็มี เอาอะไรเป็นหลักวินิจฉัยว่าเนี่ยคนตายแล้วเพราะว่าเรื่องตายนี่เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายของวิญญาณวิญญาณที่เคลื่อนย้ายไปนเนี่ยก็เรียกว่าตายแล้วฉะนั้นจึงมีปัญหาบ่อยๆอาบางทีเอาคนไข้เข้าห้องดับจิตแล้วจะเกิดไปฟื้นขึ้นมาในห้องดับจิตอย่างเนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องวิญญาณก็ดีจะติดตำรามากนักก็ไม่ได้ และไม่ใช่วิทยาการแพทย์ในปัจจุบันนี้จะใช้ได้เสมอไปดังที่เคยมีผู้เขียนลงในหนังสือพิมพ์สยามรับแย่งกันเรื่องลมหายใจผู้เขียนก็คงจ ะ, ะได้ศึกษาจากวิสุท ธ, ธิมรรคนี้ว่าคนเกิดไม่ได้ต้องหายใจออกก่อนถึงจะหายใจเข้าทีหลังแต่ตามหลักวิธีการแพทย์นั้นคนเกิดต้องหายใจเข้าก่อนแล้วถึงหายใจออกทีหลังเนี่ยก็เลยขัดแย่งกัน แพทย์ก็บอกว่า ว, วิชาการแพทย์นั้นถูกต้องวิชาทางศาสนานั้นอาจจะไม่ถูกต้องเพราะมีจิตอุปาทานว่าเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องประปราราแต่หารูไ้ไหมว่าเรื่องในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องประปราราเป็นเรื่องวิชาการทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะตรัส ก, ก็เป็นวิชาการวิชาการบางอย่างแพทย์คนไม่ถึงด้วยซ้าไปยังตามไม่ถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยยังเรื่องของความตายเนี่ย แค่ไหนที่เดยกวัดตายก็ยังถกเถียงกันอยู่ทั่วโลกว่าเอาอยัางไงที่วัดตายแน่เพราะเกิดเตะควักลูกตาคนที่ยังไม่ตายมาอย่างเงี้ยหรือไปผ่าหัวใจคนที่ยังไม่ทันตายรีบตัดเอาหัวใจมาซะก่อนเพื่อไปให้คนไข่อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นฆาตกรไปก็ได้จึงเป็นเรื่องวิดิจฉัยยากแปลว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้ากาหนดเลย และไม่ใช่กำหนดที่ลมหายใจลมหายใจนั่นเนื่องด้วยวิญญาณคือจิตธรรมดาจิตของคนจะตายเนี่ยเมื่อจิตขึ้นสู่มรณาสนักการนาวิถีแล้วจิตนี้จะเกิดดับไปสิบเจ็ดขณะพอถึงขนาดที่สิบเจ็ดถึงทางค่าขนาดของจิตขนาดที่สิบเจ็ดในมรณาสนักการนาวิถีนี้ดับลงนั่นแหละจึงจะเรียกว่าตาย ใครล่ะที่จะกําหนดวาระกิจได้หมอกําหนดได้ไหมหมอยังกําหนดไม่ได้หมอยังไม่รู้เลยซ้ําไปว่าวิญญาณอยู่ที่ตรงไหนยังคลําไปอยู่ที่มันสมองกันทั่วโลกเวลานี้ยังไม่รู้เลย ว, ว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนแน่เนี่ยยังถกเถียงกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพราะว่าเป็นสภาวธรรมบางอย่างเราจะยึดถือตํารากันมา ก, มากนักก็ไม่ได้ แม้แต่เราศึกษาในพระพุทธศาสนานี้เราก็ยังต้องเลือกดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาจากไหนมาจากคำพีไหนเชื่อได้ไหมถ้าเขียนขึ้นโดยเกจิอาจารย์แล้วเราก็ยังฟังไว้ก่อนแต่ถ้ามีมาในบาลีแห่งพระไตรปิฎกอัตถกถาแล้วเราถือว่าอาคตะสถานนี้เชื่อถือได้เราไม่มีหนังสืออะไรที่จะน่าเชื่อถือเท่ากับพระไตรปิฎกหรืออัตถกถา ไม่ว่านักปราชญ์สมัยหลังนี่จะเขียนกันมาสักกี่ร้อยเล่มพันเล่มก็ตามก็ยังถือเป็นหลักไม่ได้ในการที่จะเข้าใจในพุทธวจนะพุทธวจนะที่จะยุติลงแน่นอนได้นั้นจะต้องมาจากคำพีดังกล่าวนี้ชั้นหนึ่งบาลีของพระไตรปิฎกชั้นสองลงไปก็อัตถกขาชั้นสามดีกาชั้นสี่ไปอนุดีกาพอถึงชั้นห้าไโยชนะ คันถีเหล่านี้เป็นหนังสือที่เราจะวิทิตฉไยลงไปเป็นชั้นๆว่าอะไรคืออะไรเนี่ยจะต้องศึกษามาตามแนวตามลำดับอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น เ, เรื่องสภาวธรรมอย่างนี้เราจะต้องศึกษาค้นคว้ากันให้เข้าใจต้องใช้เหตุผลให้มากวิทยาการบางอย่างในปัจจุบันยังไม่ยุติและจะไม่มีทางยุติคือจะยุติลงได้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั่น ก็คือเรื่องสัจธรรมเท่านั้นเองที่ยุติได้แล้วอย่างหลักอริยสัจเนี่ยยุติใครจะปฏิเสธว่าความเกิดไม่เป็นทุกข์ความแก่ไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์หรือปฏิเสธในทุกขอริยสัจนั้นไม่ได้แล้วความจริงเป็นอย่างนั้นและเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกขทั้งปวงเนี่ยเกิดมาจากสมุทัยคือตัณหาทั้งสามเป็นมูลและทุกข์เหล่านี้ดับได้ด้วยนิโรธทางที่ถึงนิโรธนั้นคือมรร อริยสัตติเนี่ยใคราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยคือข้อยุติของสัจธรรมแต่ถ้าเป็นศาสตร์อย่างอื่นใดๆ ใ, ใ, ในโลกนี้แล้วยังไม่มีทางยุติความจริงในยุคนี้อาจจะเป็นความเท็จในยุคหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีการค้นคว้ากันเลยไม่มีทางยุติแต่สัจธรรมนั้นยุติทนต่อการพิสูจน์ พุทธวจนะนี้มีปรากฏในโลก 2,500 กว่าปีแล้วมีใครบ้างที่จะคัดค้านพระพุทธเจ้าวะเรื่องนั้นไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงถ้าผู้นั้นปฏิบัติตามแล้วไม่ได้ผลมีบ้างไหมในพระไตรปิฎกเราจะไม่พบเลยว่ามีมีแต่คนที่ไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าไปปฏิเสธท่านทั้งนั้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตรงตามจริงๆแล้จะไม่มีใครปฏิเสธผู้ปฏิเสธคือผู้ไม่ได้ศึกษาและผู้ไม่ได้ปฏิบัติ เราจะสังเกตได้ว่าเกิดจากบุคคลประเภทนี้ฉะนั้นในเรื่องสถาวัธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติปัญญาให้มากในการศึกษาหาความรู้ลมหายใจที่จะดับในที่สุดแห่งจิตนั้นที่เราสมมุติกันว่าคนเนี้ตายท่านได้แสดงเอาไว้ว่า ลมหายใจจะสิ้นสุดลงด้วยอำนาจแห่งจุติจิตนี้คือเมื่อจิตขึ้นสู่มรณาสน ก, การนวิถีแล้ววิถีจิตของคนแต่และ ว, วิถีที่เรารับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพียงสิบเจ็ดขณะแล้วก็ขึ้นสู่วิถีใหม่ตกลงสู่ผวังและขึ้นสู่วิถีใหม่อย่างนี้ทีนี้คนที่เมื่อตอนใกล้จะตายก็เหมือนกัน พอจิตขึ้นสู่มรณาสมน ก, การวิถีนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกสิบเจ็ดขณะพอถึงขณะที่สิบหกของจิตพอขึ้นขณะที่สิบเจ็ดของจิตอานาปานสตินี้ก็ดับลงลมหายใจดับพออุปาทะของจิตขณะที่สิบเจ็ดเกิดขึ้นถีติตั้งอยู่พังคะดับไปนั่นคือตายตายตรงจิตดวงที่สิบเจ็ดดวงนี้ตายด้วยจุติจิต พอจุจติิเกิดขึ้นจะตายถ้าจิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางฟื้นแล้วพอดับก็ปฏิสนธิทันทีจะปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งเนี่ยต้องไปปฏิสนธิทันทีชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นต้องไปเกิดแล้วจะปฏิสนธิจิตอีกดวงหนึ่งที่เกิดต่อจากจุติจิตเนี่ยที่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ไม่ใช่ออกจากล่างแล้วก็ลอยไปเกิดไม่ไม่ใช่ลอยไปแบบดาวตกที่เราเรียกว่าผีพุง่งใต้